บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในมัสมีองค์8ประการที่กล่าวมาแล้วสองข้อนั้นคือสมาธิธปัญญาเห็นชอบและสมาสังกปะความดำริชอบท่านจัดเข้าในกลุ่มของปัญญาสิกขา ในใจสิกขาทั้ง3หน้าที่โดยตรงก็คือเคยจัดโมหะหรือวิชาความมืดบอดที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายข้อนี้จะเห็นได้ว่าองค์มครรคแต่และข้อนั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้ที่มีความเห็นชอบย่อมดําริชอบคนที่ดําริชอบได้ก็ต้องอาศัยความเห็นชอบ จึงเป็นการอิงอาศัยต่อกันในมรรคข้อที่สนั้นคือสัมมาวาจาได้แก่การเจรจาชอบแม้สัมมาวาจาคือการเจรจาชอบก็ทำนองเดียวกันจะต้องอาศัยบุคคล น, นั้นมีปัญญาเห็นชอบคือรู้จักคุณและโทษของวาจาเนื่องจากก่อนจะพูดอะไรลงไปนั้น ก็ต้องอาศัยความนึกคิดเกิดขึ้นภายในจิตใจเสียก่อนว่าจะพูดอย่างนั้นจะพูดอย่างนี้เพระาะฉะนั้นความดำริชอบซึ่งเป็นองค์มรรคที่สองจึงเป็นอุปการธรรมสนับสนุนให้คนเจรจาวาจาที่ชอบลงไปได้วาจาชอบนั้นทรงแสดงไว้สีประการด้วยกันเป็นขั้นของศีล คือควบคุมความประพฤติในด้านวาจาป้องกันกิเลสส่วนที่เรียกว่าวิติกะมะคือทลักออกมาข้างนอกคุมวาจาของคนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางพุทธริตซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเป็นข้อที่บุคคลควรละเวน้นคือละเว้นจากการพูดคำเทศหนึ่ง ละเว้นจากการพูดคำสอดเสียดหนึ่งละเว้นจากการพูดคำหยาบหนึ่งละเว้นจากการพูดเพิรเจอรไร้าสาระหนึ่งปัณ น, นีจะเห็นได้ว่าเมื่อฟังดูองค์ธรรมแล้วดูเหมือนจะไม่ยากอะไรแต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเรื่องสมาวาจาเป็นเรื่องที่รักษายากควบคุมยากมากข้อ น, นี้เป็นเพราะอะไร เพราะว่าวาจาที่เปล่งออกมาแต่ละคราวนั้นเป็นการสะท้อนจากความคิดของจิตใจถ้าหากว่าในขณะนั้นจิตใจถูกกลุ่มรูมด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งจูวาจาที่เปล่งออกมาจะต้องออกมาในรูปของทุจริตดังนั้นคนที่จะกรา ว, วาจาเป็นสัมมาวาจาหรือเป็นวจีสุจริตได้ ก็ต้องแสดงว่าในขณะนั้นจิตใจไม่ถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสมากเกินไปสามารถยับยั้งกระแสะแห่งกิเลสเอาไว้ได้เพียงภายในจิตใจแต่ว่าใช้เหตุผลและสติปัญญาในการกล่าววจาออกมาพ่อที่ควรทำความเข้าใจในแต่ละข้อนั้นคำว่ามุสาวาทคือคำเทศ หรือคำที่มีจริงนั้นทรงแสดงไว้ว่าบุคคลจะต้องละเว้นคำพูดที่เป็นอนริยะโวคันคือคำพูดของคนที่ด้อยความเจริญหรือคนที่ไม่ประเสริฐสประการคืองดเว้นจากการพูดคำที่ในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้แล้วไปบอกว่า ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้อีกในกรณีหนึ่งนั้นคือเรื่องใดที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แต่ว่ากลับไปปฏิเสธว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ข้อที่ควรสังเกตในการใช้ถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคือทราบกับรู้ตามปกติในความรู้สึกของคนภายเรา ก็คือคือกันแต่ในภาษาทางศาสนานั้นการเห็นก็คือเรื่องนั้นสิ่งนั้นเราเห็นด้วยตาได้ยินก็คือได้ยินด้วยหูทราบก็คือทราบจากประสาทสัมผัสอีกสามอย่างคือจมูกลิ้นกายส่วนรู้นั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นดังนั้น ลักษณะของวาจาที่พูดออกมาจึงจะต้องละเว้นวาจาดังที่กล่าวมาแล้วและให้พูดวาจาที่ตนเห็นมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นได้ยินมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นทราบมาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นรู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นในขณะเดียวกันจะต้องไม่มีการเสริมความ คือหมายความว่าเรื่องที่ตนเห็นเป็นต้นนั้นมีเพียงเล็กน้อยแต่ต้องการความตื่นเต้นเป็นต้นก็ขยายเรื่องนั้นให้ใหญ่โตออกไปเช่นเน้นคนเพียงสิบคนบอกว่าเห็นคนร้อยคนเป็นต้นอย่างนี้ถือว่าเป็นมุสาวาทประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั้นเรียกว่าอําความคือหมายความว่าเรื่องนั้นมีมาก แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนหรือพวกของตนอยู่แต่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องนั้นออกไปก็ปกปิดบางส่วนที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ตนและพวกของตนเสียพูดเฉพาะที่ปลอดภัยแก่ตนและพวกของตนอย่างนี้ถือว่าอ่ำความฉันเห็นคนเล่นการพนันกันสี่คนบอกว่าสามคนเป็นตนเพราะคนหนึ่งเป็นพวกของตน นี้ชื่อว่าเป็นวจีทุจริตประการหนึ่งในด้านการไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ก็ทำนองเดียวกันก็พูดไปตามนั้นถ้าไม่เห็นก็บอกว่าไม่ได้เห็นเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการพูดที่เป็นอริยะโวหารคือโวหารของพระอริยะโพหารของผู้ที่ประเสริฐ ในขณะเดียวกันนั้นยังต้องมีการปฏิบัติในส่วนที่เป็นธรรมะก็คือพูดคาสัตย์คำจริงตามที่ได้เห็นเป็นต้นมาและในการพูดคำสัตย์คำจริงนั้นยังได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าการจะพูดคำสัตย์คำจริงจะต้องอิงอาศัยองค์ประกอบอีกหลายประการ ถึงแม้ว่าจะมีพุทธศาสะนะสุภาษิตว่าส จ, จังเวอมตตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาไม่ตายก็าตามแต่ว่าโดยหลักการปฏิบัติแล้วคนที่พูดคำศาสตร์คำจริงนั้นตายเสียมากต่อมากแล้วดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นผลในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายจึงทรงแสดงกลุ่มของวาจาที่บุคคลควรพูด และชื่อว่าเป็นคำสัตย์คำจริงไว้2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือเรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องจริงตามที่ตนได้เห็นมาเป็นต้นประการที่สองเป็นเรื่องดีหรือเป็นธรรมประการที่สเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังหรือแก่ตนเองประการที่สี่ ผูกกาละเหมาะควรแก่กาละที่จะพูดเรื่องเหล่านั้นออกไปประการที่5ผู้ฟังชอบใจเมื่อได้ยินถ้อยคําเหล่านั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเหล่านั้นจะต้องครบ4องค์ข้างต้นส่วนข้อที่สองนั้นก็คือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาศ แต่ว่าองค์ที่5คือคนฟังนั้นบางครั้งอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามแต่ถ้าหากว่าผู้พูดมีพื้นฐานในจิตใจที่ก่อบดยเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งหวังประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่บุคคลผู้นั้นเหมือนหมอที่จำเป็นจะต้องผ่าตัดคนป่วยเพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่คนป่วย อาจจะสร้างความเจ็บปวดให้แก่คนป่วยบ้างก็จำเป็นจะต้องผ่าการพูดวาจาที่เป็นคาสัตย์คำจริงบางครั้งบุคคลผู้พูดจึงไม่ต้องคำนึงถึงผู้ฟังแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องให้ประกอบด้วยองค์ทั้ง4ประการดังที่กล่าวมาแล้วเป็นหลักไว้คือจะต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์และถูกการ การพูดคำสัตย์คำจริงนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญสร้างฐานะของตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยแต่ถ้าหากว่าพูดจาที่ได้กล่าวมาแล้ว <c oughs> ก็สามารถที่จะให้เกิดความยอมรับนับถือจากผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ ข้อนี้ให้ลองสังเกตว่าวาจาที่พูดไปด้วยคำเทศนั้นเป็นการพูดไปตามอำนาจของกิเลสคืออาจจะพูดเพราะความโลภ บ, บ้างเพราะความโกรธบ้างเพราะความหลงบ้างแต่ว่าคำเทศสวดมากแล้วจะเกิดจากความโลภเป็นที่ตั้งเรื่องบางเรื่องโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ ว่าไม่ให้ช่วยไม่เชื่อคาโฆษณาขายสินค้าของพ่อค้าทั้งหลายเพราะในการโฆษณาขายสินค้านั้นมักจะมีลักษณะเสริมความคือขยายเรื่องน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เสมอและการพูดในลักษณะนั้นก็พูดด้วยความโลภคือปรารถนาที่จะขายสินค้าของตนให้ได้มากๆว่าจาประการที่สองนั้นคืองดเว้นจากคาสอดสี์ คำสอเสียดในโวหารทางศาสนานั้นไม่ค่อยตรงกับที่ชาวบ้านเข้าใจกันความหมายของพระพุทธศาสนาคือว่าบุคคลไปยุยงคนสองฝ่ายหรือสองคนให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความแตกแยกต่อกันการพูดสอเสียดจึงเกิดขึ้นด้วยอำนาจกิเลสสองกอง ได้แก่โลภะประการหนึ่งวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนประการหนึ่งที่พูดโดยโลภะนั้นเ <c oughs> จ้านายกอไปบอกนายขอว่านายขอว่านายขออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กลับมาบอกนายขอว่านายขอว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อต้องการให้คนทั้งสองเห็นว่าตนเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุคคลทั้งสองฝ่าย จะได้ลาบได้รางวัลได้คํายกย่องไว้เนื้อเชื่อใจจากบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้ชื่อว่าเป็นการพูดไปด้วยความโลภอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นการพูดด้วยความคิดเบียดเบียนมุ่งที่จะให้บุคคลทั้งสองฝ่ายแตกแตกแยกออกจากกันโดยตนไม่ต้องการประโยชน์อะไรจากบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้น จะอยากที่จะให้เขาทั้งสองนั้นแตกแยกขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการพูดไปด้วยอำนาจกิเลสทั้งสองประกาศนี้มีผลเป็นไปในทางเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้ละเวน้นแต่ในขั้นของการปฏิบัติที่เป็นองค์มรรคนั้น นอกจากจะละเว้นค่อยคำเสาะสอเสียดที่เกิดด้วยอำนาจกิเลสสองกองดังที่ได้กล่าวมาแล้วบุคคลยังต้องพูดคำที่เป็นไปเพื่อความสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นคือหมายความว่าในกรณีที่คนเขายังไม่สมานสามัคคีกันก็พูดแท้ก็เกิดความสามัคคีกันที่มีคาว่า จะแตกแยกก็พูดให้เกิดมีการประนีประนอมสมานสามัคคีกันในกรณีที่เขาสมานสามัคคีดีกันอยู่แล้วก็ไปพูดส่งเสริมสนับสนุนให้เขารักษาความสมานสามัคคีเหล่านั้นเอาไว้ได้เป็นการสร้างความรักความเคารพการสงเคราะห์การไม่วีวาทความสามัคคี และเอกภาพภายในกลุ่มชนทั้งหลายตั้งแต่สองคนขึ้นไปก้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าคำพูดในลักษณะนี้เป็นการพูดที่กรอบโดยเมตตากรุณาที่เรียกว่าเมตตาวาจาคือวาจาที่เปล่งออกมาโดยเมตตาจิตเป็นที่ตั้งดังนั้นผู้ที่พูดคำพูดในทางสมานสามัคคี ต้องอาศัยจิตใจที่มีความสงบเย็นอยู่ด้วยธรรมะคือเมตตาและกรุณาต่อบุคคลเหล่านั้นจึงเปล่งวาจาเช่นนั้นออกไปได้ดังที่ท่านแสดงไว้ว่าหันยัสสะสดีสีวาจาวาจาต้องเป็นเช่นเดียวกับน้ำใจคือใจในขณะนั้นมีความรู้สึกอย่างไรก็ให้พูดไปตามความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทั้งนี้หมายความว่าในขณะที่ใจกรอบด้วยกุศลและธรรมก็ให้เปล่งวาจาที่เป็นสุจริตออกไปแต่ขณะใดที่จิตประกอบด้วยอกุศลและธรรมอยู่ก็พยายามสำรวมระวังเอาไว้ไม่พูดเสียได้เป็นความปลอดภัยที่สุดวาจาประการที่สามนั้น <c oughs> คือ ง, ง่ายงดเว้นจากคำหยาบคาว่าคำหยาบนั้นโดยจุดมุ่งหมายก็คือว่าคำที่ผู้ฟังฟังแล้วสแสลงหูไม่สบายหูกระทบกระเทือนความรู้สึกกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ฟังหรือว่าบางครั้งบางคราวก็เป็นภาษาที่ทั่วท่วไปหรือว่าภาษาลูกทุ่งมากเกินไป ท่านบอกว่าเป็นภาษาของผู้ดีเป็นภาษาของผู้ที่เจริญเป็นภาษาของอารยชนคือให้พูดถ้อยคำเช่นนั้นออกไปแต่ที่นี้ในเรื่องของปิยวาจาคือการพูดวาจาที่ไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานหรือการเว้นวาจาที่หยาบนั้นมีข้อที่ควรศึกษาอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น ในขนาดนั้นว่ามีความรู้สึกอย่างไรดังที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าถ้าหากเรื่องนั้นดีจริงมีประโยชน์ผูกการและตนเองมีจิตกรบโดยเมตตากรุณาต่อบุคคลนั้นก็อาจจะพูดวาจาที่ไม่สบายหูของบุคคลบางคนลงไปได้แต่ต้องให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้น ข้อนี้ท่านเล่าไว้ในอัตกถาว่าลูกชายคนหนึ่งเมื่อมารดาบิดาห้ามปรมาบไม่ให้ไปเที่ยวแกก็ยังดื้อไปเที่ยวมารดาก็บอกว่าไปเถอะให้ควายปากหิดให้ตายเถอะลูกชายก็เดินไปพบควายปากขวางทางอยู่แกก็ยือนอธิษฐานใจว่าถ้าหากแม่พูดคําพูดนี้ด้วยใจ ก็ขอให้ควายป่าปิดแกให้ตายเถอะแต่ถ้าแม่พูดด้วยปากก็ขอให้ควายป่าหลีกทางให้แกจะได้ปลอดภัยจากควายปา่าปรากฏว่าควายป่านั้นยืนมองอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็หลีกไปนี่เป็นการแสดงว่าวาจาบางครั้งที่พูดออกมาทำนองแช่งลูกของตนนั้นเป็นคําพูดด้วยปากเฉย แต่ภายในจิตใจมีความห่วงกังวลมีความเมตตากรุณาอาทรต่อสวัสดิภาพแผงรูปของตนท่านจึงไม่จัดเป็นวาจาที่หยาบเมื่อบุคคลงดเว้นจากวาจาที่หยาบแล้วท่านก็อนสอนให้พูดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานสบายหูฟังแล้วชื่นจิตชื่นใจของผู้ฟัง เพราะเรื่องของวาจานั้นอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในภาษาไทยเรามีภาษิตอยู่เป็นอันมากที่กล่าวยกย่องเรื่องวาจาเอาไว้เช่นอ้อยตาหวานลิ้นแต่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายไปตนซึ่งถ้าหากว่าบุคคลพูดวาจาที่ไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานออกไปแต่ข้อสำคัญจะต้องเป็นการสะท้อนจากกิจใจที่กรอบด้วยกุศล ไม่ใช่ลักษณะอย่างสำนวนไทยที่พูดกันว่าปากหวานก้นเปรี้ยวปากปราใสน้ำใจเชื่อพอเป็นต้นหรือมือถือสากปากถือศีลเป็นอทิลักษณะเหล่านี้ท่านไม่ถือว่าเป็นปิยวาจาคือเจรจาค่อยคำที่ไปราออ่อนหวานเรื่องของวาจาพระพุู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกชื่อเอาไว้หลายอย่างเช่นมทุระวาจา วาจาหวานปุพาวาจาวาจาที่หอมเหมือนกระดอกไม้กูทะวาจาวาจาที่เหม็นเหมือนกับคูดเป็นต้นซึ่งหมายความว่าเรื่องของการใช้วาจานั้นเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของสิ่งที่ขึ้นมาปรุงแต่งจิตในขณะนั้นคือถ้าหากขณะใดกุศลและธรรมเกิดขึ้นปรุงแต่งจิต คนก็เปล่งวาจาที่เป็นสุดจริตออกไปได้ในขณะใดที่อกุศนและธรรมเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตคนก็ต้องเปล่งวาจาทุจริตออกไปถ้าหากว่าขาดสติเป็นเครื่องเครื่องยับยัง้งชั่งใจเอาไว้ข้อสุดท้ายคือให้งดเว้นจากคําที่เรียกว่าสัมปปปลาปะคําสัมปปปลาปะนั้น เราแปลเป็นไทยว่าคำสำรากเพอเจอร้ไร้สาระไม่มีเหตุผลอะไรเป็นลักษณะของคำพูดคล้ายๆกับคนที่เมาเหล้าคือพูดแล้วก็ไม่ได้เรื่องได้ราวได้สาระแก่นสารอะไรวาจาเช่นนี้ในภาษาบาลีเองไม่ได้ทรงใช้คำว่าวาจาแต่ทรงใช้คำบาลีว่าสัมผับปลาปาเวรมณี คืองดเว้นจากคำเพื่อเจอเหลวไหลไร้สาระในขณะเดียวกันก็หันมาพูดคำที่ก่อให้เกิดประโยชน์คำที่เกิดประโยชน์นั้นเป็นคำที่บุคคลจะต้องเพ่งเล็งถึงผู้ฟังเป็นที่ตั้งเพราะเรื่องบางเรื่องถึงแม้จะดีแม้จะจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา บุคคลก็ควรงดเว้นวาจาเช่นนั้นไม่พูดออกไปเพราะหลักในกะถาวัตถุคือเรื่องที่บุคคลควรพูดควรกล่าวนั้นผู้ฟังจะต้องได้รับประโยชน์จากการฟังเป็นที่ตั้งแต่ว่าในขณะเดียวกันขีดความสามารถในการเรียนรู้ในการรับฟังของผู้ฟังนั้นมีไม่เท่ากันผู้พู ด, พดจาเป็นจะต้องเลือกเฟน ผู้ฟังว่าผู้ฟังคนนี้ควรจะพูดถ้อยคำเช่นไรเขาจึงจะได้รับประโยชน์จากการฟังข้อนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นทรงมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังเป็นที่ตั้ง แต่การจะพิสูจน์ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าผู้ฟังฟังไปแล้วปฏิบัติตามแล้วจะได้รับความสุขหรือไม่หลักการแสดงธรรมข้อแรกของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยู่ที่ว่าทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็น เนื่องจากคนเรามีพื้นฐานแตกต่างกันอย่างที่ทรงจำแนกบุคคลไว้เป็นสี่ประเภทเหมือนดอกบัวสีเหล่าอย่างที่ทราบกันนั่นเพระาะฉะนั้นธรรมะที่จะทรงแสดงแก่ผู้ฟังจึงต้องเลือกดูพื้นฐานทางสติปัญญาของผู้ฟังในการที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมเทศนาของพระองค์ ข้อนี้จะเห็นได้ว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะขัดเกลาจิตใจของบุคคลโดยเริ่มต้นง่ายๆไปก่อนที่เรียกว่าอนุบุพิกถาคือกระถาที่ทรงแสดงไปโดยลำดับก็เริ่มมาจากทานการบริจาคสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุ ถ้าหากว่าคนมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติได้สูงขึ้นไปก็ส่งสอนเรื่องทานในขั้นของการเสียสละสิ่งที่เป็นธรรมะคือคุณธรรมความดีด้วยการบอกกล่าวด้วยการอุทิศกุศลให้เป็นต้นข้อ น, นี้บพงเห็นได้ในบุญยกคริยาวัตถุทั้งสิบประการนั้นทรงเริ่มต้นที่ฐาน แต่วนในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะพัฒนาจิตใจของผู้ฟังขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานของบุคคลอื่นได้ปพะพฤติตนอด น, น้อมผอมตนต่อผู้ผหลักผู้ใหญ่ได้และอุธิดกุสลอันเกิดขึ้นจากการกระทำความดีของตนให้แก่บุคคลอื่นได้เป็นต้น ซึ่งตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลนั้นจะมีกิเลแสแทรกซ้อนอยู่เสมอถ้าหากว่าไม่มีการขัดเกลาฝึกปลือจิตใจไปเรื่อยๆแล้วโอกาสที่จะปฏิบัติเพื่อสัมผัสคุ ณ, ณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปก็มีไม่ได้และเมื่อทรงแสดงไปแล้วถ้าเห็นว่าฟังได้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นศีลซึ่งยากกว่าการให้ทาน เมื่อเขาฟังในเรื่องศีลเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ก็เลื่อนธรรมะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่อาจจะก้าวขึ้นไปในขั้นของศีลก็จะทรงจำแนกแสดงทานโดยวิจิตพิสดารเพื่อให้บุคคลคนนั้นสามารถหาประโยชน์จากการทำความดีในระดับนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โอกาสที่เขาจะเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าบารมีธรรมก็จะมีมากขึ้นไม่ไปคอยมีความรู้สึกเป็นอุปสรรคแก่จิตใจเช่นว่าตนเองไม่มีทรัพย์สมบัติพอที่จะให้ทานเป็นต้นเพราะว่าเอาก็จริงแล้วทานที่บุคคลจะให้นั้นการให้ธรรมะให้ความดีชี่แนะบอกประโยชน์แก่บุคคลอื่น กลับเป็นการให้ที่มีคุณค่ากว่าการให้สิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุเสียอีกและเมื่อบุคคลได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสงบระงับบันเทากิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมใจของตนลงไปได้เรื่องคาพูดที่เป็นประโยชน์จึงถือว่าเป็นหลักที่มีความสำคัญมาก แม้เรื่องจะจริงเรื่องจะดีและถูกการก็ตามทั้งผู้ฟังก็ชอบใจด้วยคือเรียกว่ามีคุณสมบัติครบถึงสีประการแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์ตามหลักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะไม่ส่งแสดงวาจาเช่นนั้นทุกอย่างจะต้องเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นที่ตั้งบางครั้งบางคราวธรรมะที่ส่งแสดงนั้น มีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเช่นว่าจิตที่หลุดพ้นด้วยอำนาจของเมตตาซึ่งบุคคลกระทำให้เป็นไปได้แม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียวคือแวบเดียวแต่เป็นจิตที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นต้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของจุดเล็กๆ เ, เท่านั้นแต่เมื่อ ทรงแสดงไปแล้วคนฟังฟังแล้วปฏิบัติตามได้ก็จะเกิดความสงบประงับดับเวรภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในขณะเดียวกันจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็มีความเยือกเย็นปรากฏเป็นผลซึ่งประจักษ์ชัดประจักษ์ชัดได้แก่ตนในขณะนั้นนั้นสัมมาวาจาทั้งสี่ประการนี้ จึงเป็นทางขั้นปะหนะคือต้องละในส่วนที่ไม่ดีและเป็นขั้นของภาวนาคือการกระทาบำเพ็ญในส่วนที่ดีแต่วันในเชิงของการปฏิบัตินั้นขอเพียงแต่บุคคลได้ลงมือภาวนาคือพูดคำที่เป็นคาสัตย์คาจริงคาสมานสามคัคคีคำไพเราะอ่อนหวานและคำมีประโยชน์แล้ว ไฟที่เป็นอกุศลมีวาจาที่เป็นมุสาเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกับเมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นความมืดไม่อาจจะแทรกซ้อนขึ้นได้ในจุดนั้นในขณะเดียวกันฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืดต่อไป